ในงานกระถินวันที่สี่พฤศจิกายน2508นาแณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวเป็นผู้แสดงวันนี้งานได้เสดเร็จลุล่วงด้วยความยับยั้าสนบขนใจถึงท่านั่ในบินทั้งหลายที่ เราสรางความปรารถนาไว้สิ่งดีเริ่มมาเป็ น, น, ำนกำลังเพื่อเสร็จเพื่อตนาที่เราส้างไว้เป็นกำดังกาลังนับว่าเป็นเป็นงานความดีตลอดมาสะสมความมุ่งหวังหลังสะสมบุญแล้วในวันนี้ ในบัดนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะรวบรวมด้วยการประดับการให้สมบูรณ์ธรรมสาร น, นามัายมิสงขึ้นทาในใจดังนั้นขณะนั่งสังเทศเกิอได้ทั้งรวมใจของแต่ละท่านและท่านให้อยู่ในวงจำเรับ การธรรมนาก็มีหน้าที่อันเดียวกเมื่อเรืเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแน่ๆเป็นอันว่าลนใจอยู่กับจิตนั้นโดยกเฉพาะเมื่อมีสิ่งมาผ่านหรือมีสิ่งผ่านเข้ามาก็าต้องปล่อจากอารมณ์ น, นั้นและติดต่อกากอารมณ์อืนอ่นอีกต่อจากไม่เลอะ ทำพร้อมๆกันในขณะเดียวกันกานอรอดกลมใจามหลักที่ประกาศศสนาถือว่าเป็นของสําคัญยิ่งถ้าใจเป็นหลักฐานของโลกและธรรมโลกที่จะเป็นไปเพราความเจริญยิ่งเยิ่งธรรมจะเป็นไปเพราความเจริญยิ่งเยิ่งย่องขึ้นอยู่ดับใจที่โดยับความอดกลม มาตามเต้นขุนหรือได้รับความอดลมมาโดยสมบูรณ์แล้วข้อใจเป็นหัวหน้างานไม่ว่างานทางโลกทางธรรมหากว่หัวหน้างานไม่รับความอดลมหรือมีความเฉลี่ยฉลาดคอเกิดติดการงานนั้นๆแล้วแม้จะสําเร็จตรงหน้าก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร หลักพุทธศาสนาท่านตรสอนเพื่อการอบรมใจเนี่ยอบรมใจได้แล้วจะประกอบการ ง, งานทางโลกและทางธรรมให้เป็นทิ้นเป็นอันมีความหนักแน่นต่อผิดการ ง, งานที่ที่ทครื่งตนไม่ใค่เพียนโดยถูกสร้างกามหลักคองเหตุผลแล้วหนักก็เอาเบาก็ทำไม่มีความค้อดหยมีหลักของพุทธศาสนาท่านสอนอย่าง ที่ไม่ตด้อนให้คนเกลียดแค้นแอบแฝดไม่ต้ตนอนให้คนไร้จากเหตผลในกิจการทุกด้านไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องให้มีเหตุผลปลอด้องกันปแต่เพาะการปฏิบัติทางด้านจิตใจเล่นล้วนก็ยังต้องมีเหตุผลเช่นเดียวกับงานอื่น เป็นนั่งภาวนาจิตใจไม่มีความสงบเทียย่ยงเงินมีก็ต้องมีสาเหตุให้เกิดความไม่สงบถ้าเหตุผลถ้าเหตุซึ่งเราบำเพ็ญได้ถูกก้องตามหลักของการอบรมจริตใจหรือการภาวนาแล้วด้ต้องดังเข้าสู่ความสงบและเป็นผลคือความสุด มนไม่ว่าหญิงวาชายไม่ว่านักบวชแท้แพว่าเพราะการอบรมใจนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโทษดือไม่น ไ, ไม่เกี่ยวกับเทิดของพระของเลนหรือเทิดของแพรว่า เ, เพราะเป็นเรื่องของความเลืนเลือนถ้าผู้ได้รับการอบรมโดยถูกต้องมีความเฉืเ่อยเงเกิดขันต่อวิธีการของตน จิตใจย่อมจะเป็นไปเพื่อความสั้หลักเยียดจริงและเห็นผลจะจัดใจไม่ว่าจะทำอยู่ในบ้านนอกบ้านทำอยู่ในวัดนอกวนะัดหรือทำอยู่ในที่ไหนไหนหรือขณะที่ทำเป็นล้วนั่งภาวนาจะกำหนดทำบทใดเป็นอารมณ์ของใจเราก็มีหน้าที่ หรือมีติตจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นให้มีสติรู้หรือํากับอยู่กับอารมณ์โดยไม่ต้องขาดพเนจรความสงบแต่ให้มีจดความจดจ่ออยู่กับอารมณ์แห่งธรรมที่ตนกำลัง น, น, นำมาบำเพ็ญ น, นั้นโดยเฉพาะเพราะความสงบของใจนี่ได้เกิดขึ้นจากการขาดพเนจร แต่เกิดขึ้นจากหลักแห่งการอบรมโดยถูกต้องหลักของการอบรมโดยถูกต้องคือให้มีสติอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมที่ตนกำลังบำเพ็ญอยู่ในขณะนั้นไม่ต้องค้าดันเนและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตอนาคตใด จิตจะมีความสงบเป็นประเภทใดขึ้นมาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปค า, า, า, ายคนเยไว้ให้ทำความรู้สึกอยู่กับหน้าที่ของตนที่ทำอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นนี่คือว่าการอบรมโดยถูกต้องตามหลักของเหตุที่จะยังผลคือความสุขหรือความสงบให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจ หากยังไม่ปรากฏในขณะ น, นี้เพราะกำลังของเรายังไม่เพียงพอก็ต้องปรากฏในการต่อไปคือไม่ปรากฏในข้างนี้ก็ต้องปรากฏในข้างต่อไปเป็นได้มีหลักของการภาวนาที่จะให้ปรากฏผลขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาด้วยการคาดเสน่หรือด้วยความอยากเฉย โดยไม่ทำานึงต้นเหตุว่าถูกหรือผูกเมื่อใจได้รับการอบรมโดยถูกต้องเรื่องคัมภีรความสงบเราจะไม่เคยปรากฏมาแต่การใดๆก็ตามในชีวิตนี้แต่ก็จะปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของหลักการอบรมที่ถูกต้องโดยไม่ต้องสมัครจิต ท, ที่มีความสงบ ได้จะไม่คิดเป็นความกังวนเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนๆในขณะ น, นั้นองคตัวอยู่ด้วยความรู้มีสติประจําอยู่ภายในองค์ของความรู้ของันมีท่า น, น, า น, น, นวิชาใจข้าเรื่องต้นเป็นพอเมื่อคิดได้มีความสงบเป็นนั้นหนักนัน้นเบาเข้าไปเป็นกายเป็นฐานของจิตขึ้นมา แม้จิตกะตุอยากสร้างาทางงานอะไรก็าแตทาทั้งหมดซึ่งเป็นรื้นฐานของใดนี้ตัดไม่ได้นะคมีความเคีเียต่กวามเป็นอยู่ตลอดเวลาความคิดจิตใจถึงเแต่ทางก็ไม่ทางก็มีแต่ก็ซื้อฐานพักผิดนี่คือวารู้นี่ือความเป็นของมอางาสุทาง บางท่วมสงบเ่รีบลมที่เป็นอยู่มมีความละเอียดบาะความละเอียดที่เป็นสที่า ยังเข้าสู่ภาคเหนืี่อุ่นขึ้นไปเป็นมีที่แห่งหนึ่งที่มีที่แห่งหนึ่งเป็นคามสงบแต่ก็มีการกรัวที่อลักษณะแกระ ถึงอย่างไรก็โปรดเชื่อหลักความคิการเกิดจะไม่ไร้ผลโดยแน่นอน เป็นขณะนี้เรานั่งภาวนาก็จัดมาเป็นกรรมนหนึ่งในการตกน้ำจะทการอบร ม, มใจทั้งหมดให้รัการเที่ยงเิณาตามหลักทกา ร, รากัอพระพุทธเจ้าที่สอนว ร, รมทุกโธลาภักติเป็ น, น้นมีคิดทำเป็นเพื่อยึดของใจทำทั้ททงนี้เมื่อใจได้นอตัวเข้าไปยึดมาเป็นหลัก ย้อนไปตรวจความเยือกเย็นขึ้นภายในตัวเองไม่เหมือนอารมณ์อื่นซึ่งเราเคยสัมผัสรู้สึกว่มาด้วยกันแต่กลายเป็นความร้อนร้อนมาภายในตัและอารมณ์แห่งความที่นำมาทํากับใจดังที่อธิบายข่าวนี้เป็นอารมณ์ที่จะทําใจให้มีความสงบเยือกเย็นถึงจะยากบ้างลําบากบ้าง ก็โปรดได้ทำความศักดความจริงไว้กับตัวเองเสมออย่าปล่อยเลยตามเลยปล่อให้เยเื่องเวลาว เ, วเป็นเครื่งองตัดถี่ตัวข้างในไม่สมควรก็ทำรับผิดชอบในตัวข้างใา น, นั้นไม่ขึ้นด้วยการเวลาไม่ขึ้นด้วยสถานที่แต่ขึ้นดกับตัวของเราที่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบั้สุข ท, ทั้ ง, งุ ก, ท, กทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกี่ยวข้างกับคนเป็นหน้าที่ของเราจะต้องรับผิดชอบในตัวของเราเองนพรานั้นจควนสาอบาวิธีที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนอย่าให้เสียเวลาไปตกจาปในวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งผ่านไปผ่านไปควรคำนงถึงเราเสมอว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปชีวิตทั้งสามหน้าตายของเรานี้ได้ผ่านไปด้วยหรือไม่ลมหายใจที่ผ่านเข้าาออกก็ มีการหมดขึ sheep, mm. ้นไปเหมือนกันเพราะทุกสิ่งที่นำมาใช้แล้วจะต้องมีการหมดเพืองไปเป็นธรรมดาเป็นหมดขึ้นไปได้มีร่างกายเราใายมาตั้งแต่วันรุบัติขึ้นมาทีแรกเป็นกระทั่งบัดรีอจะไม่สิ้นเพลิงหรือหมดไปได้ห่ือไม่ต้องค่อยหมดไปเพลิงเล็กๆน้อยเมื่อคช้มาหยุดไม่ถอยก็หมดสิ้นไปอีกขามขึ้นไปประกาวโดยไม่รับประโยชน์อะไรเลยนั้นผิดกับหลักธรรมที่ว่า เราเป็นผู้มีความนับผิดชาบในตัวทั้งหลาเราอยู่ในโลกนี้มีอัตภาพเช่นท่านๆ่าเราเหล่านี้ก็ต้องมีความนับผิดชอบเป็นตัวทั้แล้วจะไปอยู่โลกไหนเกิดในครบพใดชาตไหนก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราจะรับผิดชอบในตัวทั้งหลาครูเราก็ต้องยอมรับผิดก็ต้องยอมยอมรับถูกก็ต้องยอมรับผิดก็ต้องยอมรับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากกรรม ติดตามจากผลจะไล่ไปที่ไหนไม่น่ะเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยนั้น เ, เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะเราจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไฟเครื่องความถูกต้องเป็นไฟเครื่อความเรินภายในตัวของเราจึงเป็นสิ่งที่เราจะควรสนใจอย่างดีผมกับว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวทั้งหลายดังท่านทั้งหลายใน บาเพ็มาด้วคยความสนุกสนุกใจใค่ต่อธรรมะธรรมสงสอรทั้ ง, งกุศลกุศลใและได้บำเคนมามากมายช น, นิดก้อนเนื่องจากความสนใจคือความตั้งหน้าตัวทั้งหเนี่งเป็นสาเหตุที่จะให้บำเพ็ญแม้จะยากลาบากจะขึ้นเตียงไปตัดเท่าไหรก็ไม่ได้คํา น, นึงถึงความที่เตียงไปไม่ได้คํานึงถึงความยากลาําบากเพราะความยากก็เพื่อผลประโยชน์ทันดี คามขึ้นเพียงก็เพื่อรายได้อันจะเกิดขึ้นจากการขึ้นเพียงขึ้นเพีองอยงนั้นหากไม่ได้คิดเพื่อ น, นั้นแล้วท่าจะมาทำํำคำลำบากแบบตนก็าด้อันผูกเป็นนะักบวชก็ต้องตะเกียบ ร, ระทายตามมาที่ของตนมือพระหน้าที่อย่างไงหลักของพระทำได้ไหมที่แกงไว้อย่างไรก็ต้องดําเนินตามจะยากลํำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปตามเทศ คนที่มีระเบียบเช่นนั้นอันคือเป็นคาราว่าขอดําเนินประการทำของคาราว่าทางท่านก็มีหน้าที่ประกันเป็นด้วยคือว่าเราทั้งหลายไม่ได้เสี่ยตือที่เคยเกิดมาในสภาพของมันซึ่งสําเร็จรูปมาจากผู้ผลักจำที่ได้สร้างไว้แล้วในภพของแม้จะจําไม่ไ ด, ด้แต่ผลกรรมที่ปรากฏให้เราเห็นชัดดู ภายในทัวของเนนีอนก็คือผลกรรมของเราที่สร้างาจากนั้นเราก็จะไดพยายามบำเพ็ญกรรมที่ดีเพื่อส่งเสริมให้มีํากำลังมากขึ้นเป็นลําดับนั้นหากจะได้เกิดในภพในชาติใดอีกต่อไปเพราะอํานาจของเสื้อที่จะให้เกิดภายในใจยังมีอยู่เราก็จะมาได้มีความเดือดร้อนในภายหลัง จะเป็นที่ภาคภูมิใจเกิดในภูมิมนุษย์ก็เป็นที่ภาคภูมิใจไม่ได้ตามต่อมนุษย์มีความขั้นนำเสมอกับมนุษย์ทั้งหลายและมีความด้วยความฉลาดเป็นผู้รักศีลรักธรรมรักพลังทำดีบนเป็ญให้ประโยชน์ภายนอกและประโยชน์ภายในตามกําลังความสามารถของตนเมื่อชีวิตอารัภาพนี้ได้ผ่านไปตาม ทัติธรรมนาซึ่งเคยเป็นมาแต่การไห น, ไหนเราก็จะไม่ได้เคียร์ใจเพราะไน้บำเพ็ญไวมตามสมนวรมาทำว่าจิตหมายถึงทรไมชาติที่รู้อยู่ณบัดนี้จิตนี้แหละเป็นนักทองเทีย่ยวพบดดใดชาติใดทีตรรปรากฏว่าเกิดหรือตายก่อออกมาจากเครื่องใจดวงนี้ดวงเดียว เมื่อเข า, าอาศัยในสภาพใดสภาพนั้นจะปรากฏขึ้นร่างขึ้ น, น้าจะเป็นสัตว์ก็เห็นได้ชัดว่านั้นคือสัตว์จะเป็นมนุษย์ก็เห็นได้ชัดว่านั้นคือมนุษย์เรื่องทั้งนี้ก็ออกไปจากใจของผู้เป็นเจ้าของที่ได้สั่งสมกรำไว้ภายในตัวว่าเป็นก ร, รมประเภทใด่ที่เราได้มาเป็นมนุษย์นียจะจาการบาเพ็ญของตน หรือไม่สามารถจะรู้อำ น, นาจวาสนาของตนว่ามีมากมีน้อเราก็พอจะเป็นศักดีพยานในความเป็นมนุษย์นั้นจะผาบรรณาสัพึ ง, งานความดีทั้งหลายได้เพราะสิ่งเหลนี้ไม่มีใครก็สามารถทำให้เรานอกจากเรื่องของเราเป็นผู้ทํามาเองจะจำหน้าหรือไม่ได้นั้นไม่เป็นข้อที่จะมาคัดค้านหลักของกรรมหรือผลแห่งกรรมที่จะเ ก, กิดขึ้นกับเราได้ เพราะฉะนั้นพระพุธศาสนาจึงสอนหนักแน่นลงเรื่องของกรรมมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆและสอนออกไปภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องของกรรมสอนเข้ามาภายในก็เกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเกี่ยวกับพบกับพลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมทั้งนั้นเพราะกรรมหมายถึงการ ก, ก, กระทาเมืเม่อการกระทำยังมีอยู่เรื่องความดีความชั่วต้องมี เมื่อความดีความชั่วมีอยู่แบบใดความสุขความทุกข์กับจำตัดแตทั้งฐานก็ต้องมีจะแยกจากกันไม่ได้เพราะคำว่ า, ากรรมคับผลของกรรมเป็นของแยกจากกันไม่ได้หลักของพุทธศาสนาจึงสอนเน้นลงที่กรรมให้เลือกเป็นกรรมที่ตนจะเป็นกับจำข้างกล่าวว่านิฆนะพนังก็อยู่จะได้ใข่คตืนเทียบก่อน ในติดการงานกล้าที่จะถึนจะทำไม่เห็นจะได้จะทำด้วยออำ น, นาจของคำงใญาเอาไปุผยแต่คำหนึ่งถึงเหตุผลที่จะเป็นได้ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อได้ใช้ทวนด้วยปัญญาชัดเจนแล้วทำลงไปผลปรากฏขึ้นมาเป็นที่ต่อตัดเห็นเราได้บำเพ็นคุณงามคําดีในอาตาภาพนี้เป็นสติกาลังของเรา เรื่ อ, อัตภาพหน้าที่เราจะหน้าครบหน้าที่เราจะปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของเราก็ต้องเป็นพบที่เป็นที่พึงพอไปเช่นเดียวกับเราบำเพ็ญจรงยาธรรมดีซึ่งเป็นพื่อนโายธรรมดีมนี้รงผลจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ไนะขณะนี้เราก็เอาปกลมใจซึ่งเป็นผู้จะเข้าไปสู่โลกหน้าหมายถึงอัตภาพหน้า จับจุงลิดเตรียมตัวของเราไว้อย่างพร้อมมืมาให้เสียทีที่จะข้าไปในโลกหน้าเพราะเรื่องโลกนี้กับโลกหน้านั้นไม่เป็นที่สงสัยสาหรับเราหลักของกรรมที่ยังมีอยู่ภายในใจทายแล้วต้องเกิดจกเป็นอย่างอื่นไปไม่น่ะการเกิดต้องมีดีสักทั่วเพราะหลักของกรรมมีอย่างนั้น ท่านคุณสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเขาต้องเป็นผลปรากฏเป็นผลขึดีทําชั่วได้ชั่วเป็นผลชั่นมีนเกิดขึ้นจากใจการอบรมใจจึงเป็นการเตรียมพร้อมในงานโลกไหนจะมีอยู่ใกลหรือไกลเราไม่ต้องไปคาดหนา ก็ดได้ดูเรื่องของใจเราในเวลาปรับปรุงใจนี้ให้ดีเช่นเดียวกับเขาในขั้งเขาปลูกบ้านปลูเรือนเขาว่าให้ได้ตัดได้ส่วนทุกอย่างนะเขาทำลงไปไม่มีการสุดพลาด น, นับขั้นแต่ต้ น, นเริ่มต้ น, นของการปูกสร้างเป็นกระทั่งถึงสำเร็ตขึ้นมาข้องสําเร็จขึ้นมาตามแบบแปลนฐานฐางที่เขาทํำไว้ ไม่พาเทียการปรับตรงตัวเองอยู่ขณะนี้ก็เป็นเพื่อนเดียวการกับนายข้างเขาถูกบ้าถูกเดือดเราเป็นนายข้างด้วยกันทุกคนนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องนือดัดแปล ง, นนงลปคนทั้งหิดในจิตเจรับผลอันดีมีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของตัวเองการคิดการปรุง การทํอะักเป็นเรื่องของใจงปัญญาเป็นความฉลาดที่จะรอบครอบต่อเรื่องความเคลื่อนไหวของใจที่จะออกมาทางกายมาทางวาจาหรือออกทางใจเอืเององเป็นเรื่องของปัญญาทาความรอบคอบเป็นนายช่างกันกรองดูให้ทัดเองผลจะไม่ผิดฝังทั้งในบัดนี้และการข้างหน้ามีกาวตามหลักของจิตที่ยังมีเชื้อแห่งทก ภายในตนจะต้องเป็นไฟตามแผลแห่งการเกิดเลี่ยนโคบเกี่ยนธาตุเี่ยนไปเรื่อยๆตามอํานาจของกรรมที่ตนทำไว้ดีชั่วมากาน้อต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังที่เราได้ลราบกฏว่าเมื่อเกิดเครื่อ ง, องกายผลกันขั้วโลกนี่คือการเปลี่ยนโคบเกี่ยนธาตุเกี่ยนรูปร่างของกายเลี่ยนเรือนของกา ร่างกายนี้แสดงให้เห็นรัดแต่ใจเราไม่สามารถจะตับเพราะใจไม่ไม่หม่ไม่ใช่ด้านมัตตุแต่สามารถจะอาศัยด้านมัตตุเป็นเครื่องแสดงออกของ ใ, ใจคนทั่วเราก็เห็นคนดีเราก็เห็นคนโง่เราก็ได้เห็นคนฉลาดก็ได้เห็นคนยำมากมากฉนามากน้อยก็ได้เห็นคนาพาพับเราก็เห็น สตว์ดสานจึงเป็นสัตวที่ตามเราก็เห็นมนุษย์คือมีภูมิสูงกว่าสัตว์เราก็ได้เห็นแม้มนุษย์ด้วยกันมียศพาบารรด า, าศักดิ์มีอำนาจมารสนามากเราก็ได้เห็นครับมีขึ้นมาจากเรื่องของใจผู้ครองด้วยกันเท่านั้นใคที่มีอำนาจมารนาปรากฏเป็นครบเป็นธาตุขึ้นในภพใดธาตุใดก็กลายเป็นผู้มีอำนาจมารนาขึ้นในภพนั้น ่จะอยู่ในหมู่คนเป็นมนุษย์เพื่กันเพราเป็นผู้แต่ละจากมนุษย์เพื่อพวกกันมีเวทวัดคนที่มีว่าถนัดเมื่อมาจากใจผู้เป็นเจ้าของเป็นผู้มีอำนาจวัฒนาซึ่งในต่างสมอารมณ์ได้แล้วตั้งแต่บุกเบมีเราจะเทนไปในทางขั้งหน้าตามคติธรรมดาของเพื่อที่มีอยู่ภายในใจอันจะยังน้องให้เกิดมีอยู่ เราจำเป็นจะต้องเป็นไปเชนนั้นแต่เราก็พายายา ม, มสังสมคุณงามความดีเพื่ออำนาจภาสนาเป็นเครื่องสองทางทั้งหลายใ้าไปสู่จิตหมายแปลาทางที่เป็นที่พึงพอัจเมื่ออำนาจภาสนาม์มีทานสามารถเพียรสร้างเป็นที่พึงดอใจุดพ้นจากเรื่องเครื่องกังวลทั้งหลายคือกาเรเกิดแต่เกิบตายนี้ก็ใจผ่านค้นไปได้ทั้งหลาท่านผู้สมบูรณ นกศาสนาอย่างเป็นที่รูดังพาะข่าวของเาการนมใจให้เป็นความสงอบเรือกเย็นเป็นเรื่องสํำคัญมากสาหรับเราผู้ศือทธพุทธศาสนาให้เห็นประจักภายในตัวของเราม่ชาต น, นี้ เ, นเป็นการดีมากเพราะหลักพุทธศาสนาไม่ได้สอนจนให้เห็นผลเพียงชาตมาก้ อันนั้นเป็นผลที่ยได้จากภาพนี้แหะภาพนี้จะต้องเห็นะนะผลได้สร้างคุณงามความดีไว้มากน้ข้อเห็นคัดเช่ น, นท่านข้างหล้าได้มาบำเพ็ญได้มาครอบมหาสัินไม่รู้ส์ศว่านี่ก็ภาพพระพาณิลาทุกท่านว่าไม่ทรางคุณงามความดีแมะเราจะลืมไปในอดีตแต่คุณงามความดีที่ได้สร้างไวแล้วนั้น จะไม่มีวันลดเรือนและเป็นแต่การความหลงดืมทั้งหลายเลยจะแนบสนิทอีู่กับใจขางเราทุกๆคนจะไปพบใดชาติใดก็คือคุณงามความดีอันนี้เลยรวนเรื่อมตามทั้งหนายการอบรมใจจึงเป็นเครื่องเติมคุณงามความดีทั้งหลายให้รวมตัวเข้าเชื่อเห็นพัดภายในใจั้งเรามีสมบัตมาก เก็บไว้ที่นั่นบงังที่มีหม้าไม่รวมกันเป็นถุงเป็นก้องไม่มีที่เก็บไว้เป็นระเบียบ เ, เรียบร้อยเวลาเราต้องการจะหยิบเสขย่าให้คันกับเวลาก็ยังเึินทางแต่สมบัติที่เราได้เก็บไว้อย่างเรียบร้อยแล้วต้องการเมื่ อ, อไรจะหยิบเสย่าเมื่ อ, อไรได้ทันทอนที ใจก็ย่อมเป็นภาชนะคั้งพังสําหรับงานความดีดขึ้นนั้นเหมือนเมื่อใจของเราได้รับการอบรมให้มีความสงบเทีย่ยงเทียนปราปกฏขึ้นมากเท่าไรเรื่องคุณ ง, งามความดีที่ได้บําเพ็ญนั้นมากน้อยจะรวมตัวเข้าไปถยู่ที่นั่นเหะเช็นพักดีกับใจเรื่องอํานาจมารณามากน้อยจะไม่ต้องแคถามท่นผู้ัดอนอกจากจะรู้ขึ้นําเพาะท่านผู้บําเพ็ญเท่า น, นั้น เพราะว่าพระนาชื่สร้างไว้มากน้ยมารวมอยู่ที่ใจซึ่งมีความสงบเรียงเดียงสงดและมีกําลังมากเมื่อไม่ท้อยความภาคเพียนในการบําเพ็ญทางด้านจิตใจแล้วอาจจะไม่หีกดพ้นแต่ในชาติตปุบปั้นนั้นนะเพราะใจนี้เมื่อได้รับการอดลมอยู่เสมอตมองมีกหน่งทั้งด้านความสงบทั้งด้านความมั่นคงภายในตัว ให้งานความรู้ความถนัดสามารถที่จะแยกภาพเกิดขันสามารถที่จะรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริของแต่ละอย่างละอย่างหรือของแต่ละชิ้นในเสียงแห่งร่างกายทุกส่วนและอาการของจิตทุก ท, กทกอาการที่ราบกดตัวอยู่ตลอดเวลามีเนื่องจากปัญญาและเนื่องมาจากการอดตันของเส้นจิตใจที่มีอย นย่อมีความใกล้ยศขนาดและมีอำ น, นากสามารถที่จะกดเครื่องตนมากจากสิ่นเกี่ยวข้างตัวตนหน้าเป็นขั้นท่าเรื่องความสุความกระเดิญผนบุญขนกุศลเราก็ไม่ต้องไปถามเที่ไนเลยจะเห็นจะจกักอยู่กับใจทั้งวันทั้งคืนเมื่อได้ปลากดเต็มที่แล้วจิตที่เคยคุกเข่ากับเพื่อแห่งพบแห่งชาตที่ท่านให้น้ำว่าดีเลิ น, นั้น ระปราพักจากทันไตโดยชิ่นชมไม่มีสิ่งในเหนืออยุ่ทางใการจ็งจิตขึ้นหมดปัญหาจากคารเวิดแบบเียดทายดูยวกเดี่ยวมีทันเรียกว่าบเฝ้าังบูขโมยสุโธลังจิโเคยแสดงนักเขียนนักไวยาีหลายขนัดเลยแต่อากานง่ายก็แล้ว่าการนะงับตั้ซึ่งทั้งสามเป็นความจิตทันหยัยด สังขารที่เป็นตัวผลได้แก่ร่างกายของเราเมื่อถึงการแล้วก็แตกหลายขันแล้วมาจะหาสังขารซึ่งเป็นประเภทเดียวกันนี้คือตอบสังขารภายในคือความคิดความปุงของเรก็ระงับจับได้ด้วยอำ น, นาจของตัวเองเหลืออยู่ยงสังขารขันยืดเหวสังขารเลื่อนลืล่ียขันเลื่อนลื่น เนี่ยขันนี้เมื่อหลายลมไปแล้วก็หมดปัญหาใจก็ไปตามวิถีทำโดยสุขสงบหมดกลางหมื่นเหมือนเชิดข้าวทั้งหมดมานับถี่สันติษะรังสิตสุดขั้นเพยิ่งกว่าความทั้งหมดไม่เมื่อการถึงความท่านสูงแล้วข้ามาถึงสัมติที่หมดเชื่อแล้วั้สันตินี้เป็นความพอต จะาำอะไรไปเพิ่มอีกข้อไม่น่าไม่จะว่าเป็นสันติที่ตายติดจะหยิบยกออกข้าไม่น่าขาดความคลจะเพิ่มข้อก็ขาดความสมนี่คือสันติทั้งที่ดุจพ้นจากเครื่องสมุททุกๆแบบเพืเป็นเอกรัฐนี้ดูเป็นงความมุ่งสุนั้เองทั้งนี้มีผลแห่งการอบรมจิตใจจะเห็นได้ในกับคืนวันแรก เมื่อการอดตรงขึ้นมาเป็นไปอยู่เสมอและมีกำลังพอที่จะเติมต่อไปไม่ได้นิยมว่าเป็นเครื่องหญิงเครืพาเไม่ปวดสามารถารต้นไปได้เต็นอยู่เพราะหลักกาที่จะให้เป็นไป้องทำอยู่เท่านั้นมีความเสมอและมีใช่ต่อทมากุกทุกภายในได้แก่ร่างกายทุกภายในได้เก่เรื่องของสค ข้อมีเหมือนตโมไทยซึ่งที่จะพอเีบให้เกิดคึืนภายในใจข้อมีเช่นเดียวกันไม่ว่าเพศลยนักคือพ้ออธิมัตนักได้แต่ทาหินแองมาเช่นเคยเป็นขั้นๆข้อเป็นสุบายิสีจรงทามากจะดำ็นได้เลยโดยไม่เลือกว่าเป็นเพศดรือชาตินั้นนั้นนะ เมื่อการก็บำเพ็ญตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมของระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับนั้นจะเปลี่ยนไากการเทศตามวายธรรมนั้น น, นั้นร่ำรวยไปหมดเพราะกัรบจะทํำไม่ได้เลือกรั้นนั้นไม่เลือกเพศหญิงเพศชายแต่เป็นกัรกเบีทำเพื่อหยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะทึงได้รับจากการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักประบัตรรมก็ต้องมีสิทธิที่จะพึงได้รับเพือนเดียวัน โดยไม่ต <onsieur S 2> ่างเี่องทานนั้นรือเทืจอิงเทื่อาวงานการประเดิมก็เป็นต้นนเกิดเป็นกรดิ้นรน